พูดภาษาไทยชัดแล้วนะเป็นคนไทยก็แล้วภาษีรังแกคราว น, นี้เราก็นั่งปฏิบัติธรรมกันนั่งไังไงเรวนั่งปฏิบัติธรรมก็รู้ตัวตัวกายตัวใจ ปฏิบัติทกลับมาสู่ธรรมดาธรรมชาติที่ก็มีอยู่เหมือนกันทุกคนเป็นสัจจความจริงมีกายกายก็มีอาการมีใจใจก็มีอาการตัวอาการต่างๆนี่แหละที่จะต้องสัมผัสรับรู้รับทราบ แล้วก็ไม่เผลอหลงก็ไปยึดที่ผ่านมามันไม่มีความเป็นปกติชัดเรา ม, มีสติเด่นไม่มีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อน <c oughs> การไหวเบื้องต้นเดีนะเราก็เลยไม่ได้เห็นอาการต่างๆที่มันกำลังปรากฏตามความเป็นจริง เราะลรมาเริ่มต้นฝึกหัดกัน ก, ก็มีอาณาปานติหรือดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกถือว่าเป็นกรรมฐานชั้นสูงก็ว่าได้แต่ว่าอยู่ๆก็มีปรมาจารย์พระรูปหนึ่งไตางสารตอนบนจังหวัดเลยท่านพูดแบบท้าไทย ว่าการเคลื่อนไหวยกมือ e um. การเดินวงกลมอันเนี้ยมันเป็นอิร well ิยาบถแบบหยาบๆทาให้เราได้เห uh. ็นของจริงเห็นความจริงก็คือเห็นทุกข์นั่นแหละเห็นทุกข์นี่เห็นของจริงนะการเคลื่อนการไห่อะไรคือทุกข์ การเคลื่อนไหวเป็นอาการทุกข์ขอมันทุกข์ก็ต้องกําหนดรู้แล้วก็เลยเคลื่อนแล้วก็รู้รู้แล้วรู้อีกรู้ทุกข์รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้แล้วไม่เข้าเป็นอาการการเคลื่อนการไหวต่างๆก็มีสติเลิกรู้ความรู้สึกตัวพอมาเริ่มเคลื่อนไหวมันเริ่มรับรู้ เราเลือกรู้มีการสัมผัสการกระทบการเคลื่อนการหยุดการเกรงการกายมันก็ไม่ได้เข้าไปในอาการที่เรียกว่าจิตคิดต่างๆซึ่งคนที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยมักจะหลงอยู่กับความคิดนะวังวนยิ่งคิดยิงดินงด่นยะิงรัดยิ่งคิดแก้ปัญหานะมันก็ยิ่งปวดหัวนะมันถึ่จคิดมากวางแผนมาก ท้ายสุดก็ไม่เป็นอย่างที่คิดหรอก mm hmm. ทีก็แก้ปัญหาได้ปัญหาเก่าจบไปแต่ปัญหาใหม่ก็ลึกลงไปอีก mm hmm. มันก็เป็นเรื่อง mm hmm. ที่ทุกคนต้องมีประสบการณ์ mm hmm. ทำให้ไม่ต้องไปใช้ความคิดอะไรมากมายออกมาเคลื่อนไหวหสัมผัสรู้สึก mm hmm. จะมารู้รูปรู้รรนามการเคลื่อนไหวมันเป็นอาการของรูปนาม ก่อน ร, ร, ร, รูปธรรมนะรูปธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายเราแต่การดูที่กายมันทำให้เห็นรูปธรรมก็มารูปธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวกายอย่างเดียวมันเป็นรูปที่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งอันเดียว การสัมผัสสวมสิ่งที่อยู่นอกตัวเรานั่นแหละถ้าเห็นรูปเลยเห็นรูปเราสักแต่ว่ากายสักแว่กายถ้าได้เห็นกายเป็นรูปธรรมการกระทบสัมผัสการเคลื่อนการไหวที่กายมันก็จะพัฒนาขึ้นไปตาดูสัมผัสมันก็สักทว่าเหมือนกันแหละเห็นสักแต่ว่เห็นมันก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกัน ตากระทบเนี่ยเป็นรูปเป็นนามเหมือนกันกระทบแล้วก็รู้สึกทางตาได้ยินทางหูแล้วก็รู้สึกทางหูอย่างขนาดเนี้ยมันมีเสียงมากระทบอยู่สองเสียงอย่างน้อยนะสองเสียงเนี่ยมีเยอะเสียงพระพูดเสียงไอ้ตุแกตุแก่ตุก แ, กก แ, กกแก่ลองดูว่าจิตมันไปหาไหนบางคนฟังเสียงตุกแกแล้วอาจจะเป็นความกลัวก็ได้นะเฮ้ยตุกแกอย่างเงี้ยนะบางคนก็อาจจะ เ, เห็นอาการที่จิตมันทันที่จะ รู้เนื้อรู้ตัวรู้รอบอย่างเงี้ยมันกลายเป็นพอรู้เสียงทุกแกเสียงพูดก็ฟังไม่รู้เรื่องละบางทีฟังเสียงพูดอยู่เสียงทุกแกลเลยไม่ได้ยินอย่างเงี้ยนะจริงๆมันได้ยินทั้งหมดนะแต่ว่ามันแยกแยะได้อันนี้ก็คือรูปนามความรู้สึกที่เกิดจากการกระทบของเสียงกับหูแล้วก็มีจิตไปรับรู้เรียกว่าโสตวิญญาณเป็นรูปเป็นนามเหมือนกันแต่ว่าละเอียดลงไปอย่างเงี้ยนะ จะหมกได้กิน่นลิลนะ้นลิบร้นหรือว่าสมองคิดนึกปรุงแต่งต่างๆมันเป็นความรู้สึกนะเป็นรูปเป็นนามนะทั้งหมดแต่ว่าความคิดก็เรียกว่านามรูปตรงนี้เพราะฉะนั้นความคิดนะั้นเป็นอาการของจิ ต, อ า, า อ, จตอาการของจิตไม่จิตเดิมแท้นะจิตเดิมแท้คือปกตินะและจิตเดิมแท้นะนเป็นอาการของจิตนะที่มันมีอาการซึ่งมันก็ไม่ใช่ใจนะ ใจก็คือภาวะที่ว่างจากความหมายความเป็นตัวตนเวนะลามันสุขมันทุกข์ขึ้นมาก็คือมันมีความสุขปลอมมามีความทุกข์ปลอมมาเป็นอารมณ์ที่จรมาอย่างเงี้ยเหมือนสุราเนี่ยเดิมมันก็ว่างอยู่นะเสร็จแล้วก็มีคนมาปูที่นั่งเริ่มีคนดีเข้ามานละมันเริ่มมีนีคนดีเข้ามาทําวัดเสด็จมณ์นะสุราเดิมมันว่างใช่ไหม แต่อยู่ก็มีวัตถุ12ึ่งสองสามจอนไปจอนมามีบุคคลหนึ่งสองสจรไปไปจรมาสัตว์สาราสิ่งจรไปจอนมาสัตว์สัตว์สวสิ่งก็ค่อยๆขนเข้าขนออกย้ายเข้าย้ายออ ก, ยยอออกถ้าสิ่งไม่ดีเข้ามานะเช่นมหมาขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้สิ่งไม่ดีนะเราคงจะนั่งกันยากนะคงจะเหม็นกันเลอะเทอะน้ำเหลืองน้ำหนองหมัดมั่งเห็บมั่งมันก็พาอย่างงั้นมา โจรเข้ามามันก็เดี๋ยวเ็าพระพุทธรูป ก, ก็หายไปก็เหมือนใจของเราสุขทุกมนจรมาอารมณ์มันจรมาเดิมแท้มันก็เป็นความว่างเป็นสภาวะที่มันบริสุทธิ์มันก็จิตเดิมแท้ที่พระพัฒสอนผ่องใสมันต่างกันใจภาษาบาลเีเรียกมนโน จิต ก, กใ็ใช้ภาษาว่าจิตตรงๆแนตะ่คนไทยก็ยังใช้ว่าจิตตรงๆในความเห็นส่วนตัวไม่เหมือนกันโดยรากศัพท์ของพยัญชนะและอัตถะความลึกซึ้งของความหมายไม่เหมือนกันเพราะนั้นภาษากายกายคือธาตุสดุลก่อนแต่รูปเนี่เป็นรูปธรรมรู ป, ปขันคือการที่มันมีตัวหลงตัวรู้สั่งถ้าตัวหลงสั่งที่รูปขันเดี๋ยวกา ย, กายก็ขยับตาม ธาตุน้ําธาตุไฟธาตุาดินธาตุลมไปตามปรุงแต่งของระนาของจิตสจตสังขารจิตตสังขารเป็นไงปรุงแต่งดีมก็ดีหละปรุงแต่งไม่ดีมก็ไม่ดีหรอกไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนภาษาก็ไม่เหมือนแต่เราชอบไปตีความว่าเหมือนกันจริงไม่เหมือนหรอกจิตกระใจมันก็ไม่เหมือนทั้งภาษาอัถฐานะและพยัญชนะไม่มีทางเหมือนเลยมันจึงเป็นภาษาสมมติและปรมัติ ปรามัดก็คือมันเห็นอย่างรูปธรรมการเห็นไม่รูปธรรมเป็นปรามัดแต่ถ้าเห็นเป็นสมมติมันเป็นกายดุลก่อนเป็นหน้าของการเข้าไปในสมมุตินเช่นการเคลื่อนมือเคลื่อนมันก็ยังเป็นสมมติอยู่มันไม่เห็นเป็นปรามัดหรอกถ้าเห็นเป็นปรามัดป๊บมันเคลื่อนศักว่าเคลื่อนทันทีอ๋อมันก็ใจทันทีธรรมะเจริญได้เลยนะ จากภายในสู่ภายนอกจากกายของเราดุจก้อนเป็นสรรพสัตวสรรพสิ่งทั้งหมดนั่นแหละเป็นลัณะของกริยาอาการธนะาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมนะอันนี้ก็จะไม่แปลอะไรให้มากไปเดี๋ยวมันจะคิดมากนะเอาเป็นว่าแค่เคลื่อนไหวรู้สึกกได้ไหมนะมันเป็นรูปนามเรียบร้อยแล้วล่วนะรูปรูปนามเรียบร้อยแล้วะ ออกมาจากรูปนามเรียบร้อยแล้วถ้าวางใจถูกต้องตรงพอดีนะเกิดภาวะความเป็นกลางสมดุลถึนะตงตรงนี้นะมันก็จะขยายผลไปมากมายเหลือเกินนะความคิดต่างๆนะมันจะทะลวงออกมาเลยล่ะบิตกวิจารนะปิติสุเอกคตาจะเกิดขึ้นมาแน่นอนนะนะมันจะเหมือนกับว่าโอ้ข้างในนี่มีเรื่องราวน่าสนใจเหลือเกินนะก็เลยชอบเปรียบเทียบถึงว่าในะอย่างนี้นนะโยม ขณะที่เราสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกเลนที่มันเคยเป็นใหญ่ชอบดูไปทางตาดีสีที่เป่าที่ไหนไปที่นั่นเติดเทิงที่ไหนไปที่นั่นกีฬาที่ไหนไปที่นั่นไปดูที่ไหนมีแสงสีเสียงก็ไปที่นั่นอย่างนะ้ที่ไหนมีการพนันก็ไปที่นั่นที่ไหนมีตั้งวงเล่าก็ไปที่นั่นบัดนี้มันไม่มันสำรวมมาอยู่วัดอยู่วาระนีอยู่วัด สมก็สมตาหูจมกลิ้นกายใจมีกรอบสิน5้าสินปดสิ 10, สิบินสองยีิบอะไรก็ตามเถอะนะมันมีกรอบอารมณ์ข้างนอกมันมากระทบไม่ได้นะก็เหมือนกับจิตมันยกสูงขึ้นไห ม, นะมาขึ้นที่สูงหนะมายถึงเอาอยู่วัดนะนะเป็นที่สูงแล้วสถานที่ที่มันนะทำให้เกิดความดีความงามการอยู่กับโลกเนะ่มันก็มีแสงสีกลิ่นเสียงต่างๆมาปลุกเรามายั่วยุเราขึ้นมาที่สูงนะ นึกถึงการอยู่ที่สูงตอนนี้เราอยู่ระดับน้ําทะเล4065เมตรตอนนี้อยู่กับหลังขา่านะจากระดับน้ําทะเลความกดอากาศมันก็น้อยลงอ่ะนะน้อยลงแล้วก็เห็นว่าขวดมันจะบวมขึ้นไหมจริงไหมพวกเราจริงไหมซองขนมก็เหมือนกันกล่องนมนก็เหมือนจะบวมขึ้นไหมเนื่องจากข้างนอกเนี่ยมันไม่มีอากาศไปกดดันมันก็เหมือนกับเราสํารวมดีแล้วนะ วัตถุภายนอกอารมณ์ภายนอกมันก็ไม่ได้มาชวนให้เราหลงนะที่เหลือคือข้างในแล้วกันเนี่ยข้างในมีใจนะมันมีร่องรอยประทับอยู่รอยบุญรอยบาปรอยสุขรอยทุกข์รอยได้รอยเสียนะมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศนะมีคู่อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมนะอิจฉาริษยาสารพัดนะทีนี้มันก็จะแสดงออกมาเลย เคมีความสําเร็จไม่สําเร็จมันก็จะดันขึ้นมาเวลาเราทํากรรมฐานจะเห็นแล้วโอ้โหมันคิดอารมณ์ทะลักทะลวงเลยข้างในนะที่พูดเนะี่ยมันก็ดันตัวพองออกมาเลยะทนไม่ไหวแล้วปรนะเนเนี้ถ้าไม่มีปัญญารู้เท่ารู้ทันแล้วก็ได้คําตอบว่าคารเหล่านั้นมันคืออะไรกันแนะ่มันเป็นตัวเป็นตนจริงหรือเปล่าแล้วก็หลงเพลอเข้าไปหรือเปล่าถ้ามีการเคลื่อนการไหวมีความรู้สึกตัวมีความเป็นปกตินะก็จะเห็นเลยอารมณ์มันดันจนกระทั่ง ไม่สามารถเดินจงกรมหรือว่ายกมือสร้างจังหวะดสิบสี่จังหวัดได้นั่งสมาธิก็อยู่ไปได้หรอกข้างนอกมันนิ่งแต่ข้างในเนี่ยบอ ม, มันพรุ่งพล่านมากเลยมันดันนั่นแหละมันก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเราก็เห็นเลยนะแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกนะเช่นพอปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ไหวแล้วอารมณ์ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเหิมไปหาอารมณ์แบบข้างนอกก็ทําอันนี้ก็หมายถึงว่ามันไปหารูปรดแสงสีกินเสียงหาความดีน เพื่อให้มันกบเกลื่อนข้างในไว้ก่อนมันจะไม่มีทางได้เห็นตรงๆหรอกอยู่ได้แนะ่เพราะว่าท้ายสุดนะมันเหมือนกับว่ากําลังข้างในมันก็นะฝ่อตัวลงไปเนื่องจากมีพิติบ้างนะนะอารมณ์พิติอาการของพิติบ้างมาครอบงาอารมณ์บนะุญบ้างมาครอบงำหรือว่านะมันได้เสพสมอยากนะนะเคยได้ดูก็ได้ดูมันก็อ่อนตัวลงไปเพราะว่า มันได้อาหารแต่เสร็จแล้วมันก็หลบเข้าไปกบดานอีกเป็นบนทินเครื่องเศร้าหมองนะนอนเรื่องในกระบนันดานเป็นนิสัยวลา น, นิสัยนะฝังเลือกลงไปการ น, นี้บางทีก็โผล่ขึ้นมาหายใจอีกหน่อยนะหลังจากที่มันเรียกร้องก็เป็นระยะเวลานิดหนึ่งอย่างเงี้ยนะก็ได้เห็นเลยว่าอ๋อเรื่องข้างในมันแสดงออกมาให้เราได้นะเรียนรู้รับรู้แล้วก็ได้คําตอบนะตอบโจทย์เฉลยได้นะ ก็จึงไม่แปลกสำหรัคนที่อยู่วัดอยู่วาใครที่ทนนะก็สภาวะของข้างในแล้วก็ผ่านได้ก็อยู่ได้นะอยู่ได้แต่ถ้าใครทนไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยจะหาลาเพศกันไปบางทีก็อยู่ไม่ไหวนะยุงก็จมนะที่หลับที่นอนก็ไม่ได้ด่งใจอาหารการขบฉันก็ไม่ได้ด่งใจมันก็จะไปตามนิสัยความเคยชินเก่าๆก็ลากจิตลงต่ําอีกเหมือนเดิมนะอยู่ที่สูงอยู่ไม่ได้กนะ็ต้องไหลลงไปสู่โลกความเป็นจริงอีกเหมือนเดิม ไปอย่างนั้นไปหาเสพรดนะ ร, รูปนะกิ่นเสียงต่างๆมากมายแล้วกันก็เรียกว่าทำตามกิเลสทันทัดทำตามใจทนะ้ายสุดก็คือทำดียากแต่ทำได้ยากนะทำไม่ดีเนะี่ยมันก็จะง่ายไหลไตไหลห ล, าหลาตามความเคยชินไปต่อนะอ น, นี้แหละที่เราจะต้องเหมือนกับว่าพยายามนะที่จะใส่ใจนะทำความรู้เนื้อรู้ตัว ทั้งอ่านกายอ่านใจอันนี้มันก็เป็นพัไตยวิดกไม่ใช่หมายถึงว่ามีอยู่9กสิเล่มในตู้พัฒัยวิดกกายนี่แหละคือตู้พัฒัยวิดกหลวงประเทียนก็ได้พูดไว้หลวงพ่อเมเขียนก็ได้พูดไว้พอเรามาปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นแหละกายมันจะแสดงอาการของกายธรรมชาติของกายออกมาใจก็แสดงธรรมชาติของใจออกมาในรูปของการคิดการปรุงการแต่ง คิดแล้วก็โกรธคิดแล้วก็โลภคิดแล้วก็รักคิดแล้วก็ชังคิดแล้วจะอิจฉาลิษยาคิดแล้วจะเกิดอะไรอีกมากมายแล้วเกินเป็นอารมณ์ที่เกิดจากการคิดที่นิสัยให้ความเคยชิมชอบปรุงปรุงแต่งแต่งเป็นลาคะจริตโทสะจริตโมหจริตพุทธจริตต่างๆปรุงปรุงแต่งแต่งไปเป็นดีๆชั่วๆบนบนบาปบาปเพราะฉะนั้นคิดดีแล้วก็ไม่สนใจมัหรอก เวลารู้สึกตัวนะกลับมาหาความรู้สึกตัวกระทบสัมผัสคิดไม่ดีแล้วก็ไม่ไปสนใจไปหรอกก็กลับมารู้สึกตัวกระทบสัมผัสเราก็จะรู้รูปนามไปเรื่อยๆการเคลื่อนไม้เคลื่อนมาเกิดการวางขึ้นมาเราก็เห็นได้ชัดมีความเป็นปกติขึ้นมาเราก็เห็นได้ชัดท้ายสุดมันแอบคิดไปเราก็รู้แล้วนี่คือนามรูปพอมันสัมผัสความรู้สึกที่กลายเป็นก็สัมผัสความรู้สึกะ ที่เกิดจากจิตคิดเป็นขั้นตอนของมันนะดูงกายเห็นจิตนั่นแหละดูจิตก็เห็นคิดนั่นแหละพอดูคิดก็เห็นกุศลธรรมมันก็เกิดขึ้นมาคิดดีอกกุศลธรรมก็เกิดขึ้นมาคิดไม่ดีเป็นอดีตและอนาคตปัจจุบันก็มีเหมือนกันเป็นวิตกวิจารณ์เห็นอารมณ์ธรรมอะไรเกิดขึ้นมาก็วิตกวิจารเป็นปัจจุบันไม่ให้เกิดมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็เกิดขึ้นมาเพราะนั้นอย่าห้ามความคิดนะ ความคิดเกิดขึ้นมาเราก็รู้สึกตัวกลับมารู้เท่ารู้ทันแล้วก็รู้สึกตัวต่อไปที่ฐานกายเอาจนกระทั่งสติมันว่องไวคล่องตัวนะกลับมาได้บ่อยนะเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันคิดแป๊บรู้ปุ๊บคิดเท่าไหร่มันก็รู้เท่านั้นแหละมันเริ่มต้นมาคิดแป๊บรู้ปุ๊บนะทันความคิดมันคิดมากี่เรื่องก็ทันมันเท่านั้นนะจนจระทั่งมันทันะ ตาหูจะมาเล่นกายใจมันแทนนะก็คือเกิดอาการที่เรียกว่าปรมาถาสภาว่าขึ้นมานะมันเห็นสักว่าเห็นนั้นนไม่ปรุงต่อเพราะว่ามันจะไปรู้แล้วว่าความคิดเนี่ยมันเกิดยังไงสมมติฐานมันเกิดยังไงนะเบือ้องต้นกับสมมติฐานการเกิดความคิดเกิดขึ้นมาคือไม่รู้สึกที่ฐานเกิดเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติใหม่เลยนะแต่ตอนหลังเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นมาก็คือมันเริ่มเห็น นามรูปเกิดขึ้นไหมนะนามรูปบางทีมันเป็นรูปภาพเกิดขึ้นไหมมันไม่ใช่เป็นภาษาคิดเลยนละยอยู่ๆมันเกิดรูปภาพหน้าคุ้นบ้างหนะรือสถานทีนะ่เกิดขึ้นมานี่เป็นนามแต่เป็นรูปนะและเดี๋ยวมันจะมีภาษาสมมุติต่อไปอีกนะสมมติว่าไอนะ้นั่นไอ้นี่ไอ้นวลวิาพากวิจารณไปเรือวิตกวิจารเกิดขึ้นไหมบางทีเป็นภาพของ ความดีความงามเกิดขึ้นมานะบางคนอาจจะเห็นนะพระสงฆนะ์เห็นครูบาอาจารย์เห็นหน้าครูบาอาจารยนะ์แล้วก็มีความคิดต่อไปตักเตือนนะคําพูดประโยค์ของท่านท่านพูดอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นมาลัทธิกามินิมิตเหมอือนการอริยสาวกต่างๆเกิดขึ้นมามกขาสาลีบุตรทั้งหลาไม่เคยเจอนะ ไม่รู้มันโผล่มาได้ยังไงหน้าตาโผล่ขึ้นมาเหมือนกับในหนังนั่นแหละหรือว่าที่เราเคยอ่านในหะนังสือนั่นแหละได้ยินได้ฟังมานั่นแหล ะ, ะไม่รู้จาเข้าไปตอนไหนเป็นนิมิตบวกกับสมาธิแต่ว่าไม่มีสติรู้สึกตัวและเลิกไม่ได้ว่าสิ่งนี้คือความคิดอย่างเงี้ย น, นะมันก็เลยเหมือนจริงมากเลยบางทีมีกลิ่นเกิดขึ้นมากลิ่นทูผอมจะกลิ่นดอกไม้อย่างเงี้ย น, นะเกิดนิมิตขึ้นมาแต่วิธีการหลุมพุทียนเนี่ย ถึงจะเกิดนิมิตเหล่านี้ขึ้นมาก็เกิดไม่นานหรอกนะจะให้เกิดขึ้นมาแป๊บมันจะตัดทันทีพอมันรู้สึกตัวที่ปัจจุบันขณะที่กลายเป็นรูปธรรมนะมันไม่ใช่เข้าไปในนามรูปนะมันก็จะแก้อารมณ์ได้ทันทีนะ mm hmm. เห็นอาการตามความเป็นจริงทันทีนะก็คือรู้ว่าภาพนั้นนะมันเป็นนามรูปแล้วกําลังมีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ ความคิดไม่ใช่สัมผัสที่กายมันก็ตัดกลับมาง่ายๆนะไม่ต้องให้กูบาอจาย์คนไหนมาแก้อารมณ์ไม่ลมเลยนะมันแก้โดยตัวของตัวมันเองแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นความรู้สึกตัวที่ฐานกายในครอบจักรวาลเลยแก้ได้ทุกอารมณนะ์แต่บางทีความคิดก็รุนแรงนะในช่วงที่มันแตกฉานขึ้นมาเนี่ย ม, นะมันจะความคิดรุนแรงมากมันจะบิตกวิจารนะธรรมะต่างๆ ไอ้นี่คือไอ้นี่นภาษาคืออย่างนี้มันจะคิดไปฟุ้งในธรรมแต่พอกลับมาสัมผัสรู้สึกตัวท่านมันก็หายไปทันทีนตรงนี้แหละต้องเดินไวๆเดินให้ทีปึ ป, ป, ปึ๊บปึ๊บให้หยาบให้ชัดเกลื่อนไหวรู้สึกกันไหมกันให้ทีให้มาแรงก็ว ะ, ะให้สัมผัสมาแรงจะได้สัมผัสรู้ที่กายไม่เข้าไปในความคิดเจะทั้งคิดรู้ธรรม ะ, ะคิดตีความธรรมะนะ ก็แก้ไดนะ้อารมณ์ปฏิบัตินะเวลามันคิดวิพาษวิจารธรรมะวิตวิจารณ์ธรรมะนะแล้วก็คิดไม่คิดธรรมดามันจะคิดแล้วก็คิดดังเลยนะนะคิดแล้วก็พูดอย่างนะี้อันนี้ก็เรียกว่าอารมณ์วิปัสสนะูเราละออวิปัสสนูวิปัสสนึกวิปัสสค์นะมันไม่ใช่อารมณ์กับวิปัสนาอารมณ์กับวิปัสนาคือสัมผัสแล้วก็รู้สึกอนะี้มันก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นมาหลนะวงพ่อเตียนท่านบอกว่าท่านเองเนะี่ย มีอารมณ์มิปสัสสโนเนี่ยแป๊บเดียวเองภายในหนึ่งวันมันเกิดความคิดขึ้นมาพอไปอาบน้ำมันก็อ๋อเห็นเลยแกอารมณ์ตัวเองได้ทันทีกลับมาที่ความสึกตัวทันทีท่านบอกว่าเป็นไม่นานแต่ต้องเป็นทุกคนหลังจากที่รูปนานและเป็นทุกคนซึ่งอารมณ์นี้เป็นอารมณ์สาม้อถูกหวยก็ผมเล<ม>ือกมาพูดอย่างนั้น หรือเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าเศรษฐีใหม่เศรษฐีใหม่ไม่เคยมีตังค์เนี่ยพอมีแล้วก็อยากใช้ตังค์หลังจากที่หาตังค์มาได้แล้วได้ตังค์มาก็อยากใช้ตังค์แต่ใช้ตังค์ทำอะไรก็ใช้ตังคนะ์ทำบุญนั่นแหละทําบุญมันเป็นไงใช้ตังค์ทำบุญก็คือลักษณะของสติที่เกิดขึ้นนะมันเห็นร่องเห็นรอยนะบอกออกความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีอนิสงสนะ์มีคุณอนันต์ขนาดนี้นะ โอมันจะไม่บอกใครมันเป็นการทบทวนมันก็เลยทบทวนแบบเสียงดังตรงนี้มันจะหาเหยื่อหาเหยื่อบุคคลหนึ่งสองสาใครก็ตามที่มีท่าทีว่าสนธนาธรรมได้มันก็จะเข้าใส่ทันทีนะอันนี้ก็ไม่แปลกแต่หลังจากที่มันรู้สึกตัวมันก็จะไม่อยากทําาการอย่างนั้นอีกต่อไปนะไม่อยากเข้าหามันก็อยากจะกลับมาปฏิบัติต่อไป เพื่อจะได้เดินทางต่อไปพัฒนาต่อไปให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเพราะเวลาที่เหลืออยู่ไม่รู้ว่ามันจะตายตอนไหนไม่รู้ว่าเ อ, อ่อความรู้สึกตัวอะจะทำได้มากอีกแค่ไหนในรูปแบบนะมันก็จึงกลับมาหารูปแบบนะเกินไหวนะมือสุดที่หวัตรู้สึกตัวหรือว่าการเดินจงกรมต่อไปแล้วก็รู้สึกตัวให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปหลังจากนั้นอารมณ์ก็จะอ่อนตัวลงไปความคิดมิกวิจารณ์ก็จะอ่อนตัวลงไปเหลือเพิ่มหายไป มันจะเหลือแต่ความภูมิใจพอใจเป็นตัวพิติเกิดขึ้นไหมนะมันก็เดินอยู่านะอารมณ์พิติอารมณ์ปิติมันจะคลุมกล่อมในขณะที่มันยังออกฤทธิ์อยูนะ่มีความอิ่มใจบางทีข้าวก็ไม่อยากฉันกเกินะนน้ำลายก็อิ่มนะนั่งกนจะรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวไม่อยากสนใจใครอยนะ่างเงี้ยจนฝ่าก็ย่อนตัวลงไปนะมันจะเหลือแต่นะ ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวแล้วก็หลงก็ไปในความคิดเรื่องนะั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นตัวใหญ่ๆก็คิดดีคิดจะทําดีคิดบุญนะเนะีเราก็ไม่เอาคิดดีดกลับมารู้สึกกลับมารู้สึกมันก็เหลือแต่ความรู้สึกนะความคิดก็เลยกลายเป็นความรู้สึกพอคิดปั๊บมันก็รู้สึกก็เลยนะกลายเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวได้เวลาจิตคิดก็รู้สึกตัวได้ก็จะเป็นอารมณ์ปฏิบัติก็ล้ว น, ลนนะนะแล้วกันเนี่ยแล้วเราก็นอกจากภายในมันก็จะมีภายนอก เวลารูบลดกลิ่นเสียงต่างๆพอทับผาธรรมอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมานะมาถูกรู้สึกตัวได้เหมือนกันนะตรงนี้นะก็จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนนะทําไดนะ้ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําไดนะ้ถ้าเราทําจริงๆปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบั ต, บติตามจริงๆก็ต้องเนหะ็นอารมณ์ปฏิบัติที่มันมีร่องมีรอยนะรู้รวบรู้รรนามรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องพระศาสนาต่างๆกุศลอกุศลนะ เห็นกายเวลาจิตธรรม ท, นะทีมันเกิดขึ้นมานะตามขั้นตอนของมันนะเป็นอารมณ์ปฏิบัตินะจะได้เห็นแล้วโอ้ตัวคิดนี่คือภพชาตนะิมันเป็นการก่อตัวที่จิตคิดนะีทั้งหมดท่าหลวงเผเือกไปในความคิดภนะพชาติแท้ๆเลยนะตรงกับที่ครูบาอาจารย์ท่านโพดไว้ทุกประการนะเราไม่ต้องไปจดไปจําไปคัพปีนะ้แต่ท้ายสุดพอมันเห็นความคิดปะ๊บโอ้คิดเมื่อไหรก็ตามนะมันเกิดขึ้นมานะีนะ่ย เจอแล้วมันดับไปโอ้พบหนึ่งชาติหนึ่งวันนึงไม่รู้กี่พบกี่ชาตินวัตศาสตร์ก็หาไว้เราได้ยินได้ฟังมาผู้รู้ทั้งหลายทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาวันหนึ่งนะเราไม่คิดไม่มีหรอกไม่มีใครหรอกไม่คิดนะแต่ว่าคิดแล้วเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราคิดตัวนี้สําคัญวันหนึ่งนะไม่ร้อยไม่ไม่น้อยกว่าหกหกหมืนเรื่องนะมันมากเหลือเกินนะมันไม่ใช่แค่ร้อยเรื่องนะสิบเรื่อง มันเป็นหมื่นๆเรื่องะเกิดดับเกิดดับเกิดดับทียิบเลยก็จริงเวลาปฏิบัติเราสังเกตดูนะใครลองใช้อุบายอย่างนี้ก็ได้นางปฏิบัติเอาไม่เขียดนะประกองไว้ ข, ข้างๆอะไรเป็นเยอะๆนะการทูบก็ได้หรู้หักกิ่งไม้ก็ได้เยอะๆใบๆๆไม้ก็ได้เก็บไว้เยอะๆฉีกเล็กๆก็ไว้แล้วลองดูนะว่าเราเคลื่อนมือนะรู้สึกรูๆๆนะ้สึกเวลาคิดขึ้นมาเนะี่ยลองหยิบมาหนึ่งเรื่องแล้วก็เอาต่อ เรื่องมื่อสิบสี่ฉ่ับต่ อ, อคิดว่าหยิบมาวางแล้วโดดที่วันจะคิดตะกี่เรื่องของมันเรื่องเอาทรายก็ได้อเม็ดหินก็ได้เอาวางไว้คิดหนึ่งเรื่องหยิบมาหนึ่งเม็ดแล้วโดมันสักเท่าไหร่ลองทําแบบเป็นระบบอย่างนี้เลยปากกาก็ได้อเตรียมแต้มมาไว้คิดก้างหนึ่งก็ขีดก้างหนึ่งคิดก้างหนึ่งก็ขีดข้างหนึ่งดมมันจะคิดตะกี้เรื่องของมันหนึ่งชั่วโมงเรือสัตว์บอกว่าไม่น้อยกว่าหกหมืนเรื่องมันจริงหรือไม่ นะต้องพิสูจน์กันนะพอยุคนี้แล้วจะให้ใครมาหลอกนะเป็นไปไม่ได้หรอกหลวงพูทเทียนท่านก็ท้าทายไว้ชัดเจนนะถ้าเราเห็นความคิดเทนะ่ากับได้ต้นของพระนิพพานนะถ้า ร, ารู้ทันความคิดเห็นความคิดนะต้นของพระนิพพานเนะมื่อเรารู้สึกตัวข้างหนึ่งน้าปิดอบายภูมิจริงหรือไมนะ่ทำไมจะไม่จริงอ่ะรู้สึกตัวข้างหนึ่งเราไม่ได้คิดนะในทางชั่วเลยแม้แต่นิดเดียว สัมผัสรู้คิดรู้มันกละตัวกันเนี่ยทำไมมันจะไม่จริงเมื่อเรารู้ได้ขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไปเราก็จะเหนื่อยน่ายเลยละความคิดเนี่ยเหนื่อยน่ายเบื่อน่ายมันความคิดชวนหลงเบื่อน่ายความคิดเห็นความคิดใหม่ๆเนี่ยเป็นศัตรูกลัวมันเลยละไม่อยากคิดไม่อยากพูดไม่อยากคิดไม่อยากทาอะไรมันนั้นนะอย่าจอกมาสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวให้มากท่าเจียรมากได้ อะไรเพราะว่ายิ่งออกมาจากความคิดมากเท่าไหร่นะจริตใจได้เกิดความว่างเกิดการปล่อยวางก็มากมากเท่านั้นว่างจากความคิดว่างจากความหมา ย, ย่างความเป็นตัวตนนะคิดแล้วมันก็เป็นตัวตนมากมายเหลือเกินนะตัวกูของกนะูอันนี้เป็นภาษาของท่านอาจารย์พุทธเตศตัวกูของกูอะไรคือกูกูรักกูชังกูโลกูกูโกรกูหลงนะกูอีฉาลิษยากูอกตันยูนะ กูยกตนขม่มท่านกูนะยิ่งใหญ่กูใหญ่กูเก่งกูไม่เก่งสารพัดนะมันเกิดมาจากการคิดทั้งหมดเลยพอรู้สึกตัวปั๊บเออไม่มีตัวกูไม่มีตัวตนเลยรู้สึกว่าเออไปไหนก็ได้อยู่ไหนก็ได้นะมันไม่ใช่กูนะแต่มันเป็นเพียงแค่อาการนะกริยาต่างๆที่ใช้ไปเพราะฉะนั้นทำงานทั้งวันก็เป็นแค่อาการกริยาทั้งหมดนะั่นแหละนะทำงานทั้งวันเหมือนไม่ได้ทาอะไรนะ ไม่เหมือนกันเมื่อก่อนนะมันไม่ได้ทํางานแต่มันเหนื่อยอกหนื่อยใจจังเลยวันทั้งวันเหมือนกับมันมีปัญหานะหนักอกหนักใจมันก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้ทั้งที่วันทั้งวันเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับตัวเองให้ถูกต้องนั่งยืนเดินยืนนอนเดินไปก็คิดไปขาทุนนอนก็ยังฝันอีกขาทุนล กินข้าวสักจานความคิดก็หล่นลงไปอากาศุนยกน้ำเดินสักแก้วฮะไม่ได้ดื่มน้ําเลยดื่มความคิดตัวเองอย่างเงี้ยอากาศตุนอย่างเงี้ยพอเรามาฝึกความรู้สึกตัวโอ้มันเห็นเลเดินก็เดินนะกินแล้วก็กินอยู่ะแต่มีสติมันเลยได้อาหารกายอาหารใจด้วยอย่างเงี้ยเป็นการฝึกทั้งวันอาบน้ํามันก็ไม่ได้นะอาธรรมดานะมันมีสติด้วยนะอาบน้ําที่กายแต่ว่าจิตมันก็ได้นะ สติชำระล่างไปได้วยในตัวนะก็เลยเรียกว่าส่งน้ำนะแต่เป็นภาษาอาบะนะอาบน้ำยังมีสติเขาเรียกว่าส่งน้ำรับประทานอาหารยังมีสติเ้าเรียกว่าฉันขบฉันเป็นการให้อาหารกายอาหารใจเดินมีสติเขาเรียกว่าจงกรมไม่ใช่เดินธรรมดาไปทำดีทำช่วยนะมันเดินเหนือดีเหนือช่วยเดินในความรู้สึกตัวเป็นความปกติอย่างเงี้ย มื่จะมีคาพูดต่างๆรับรองนอนก็ไม่ได้นอนธรรมดานะคนนอนธรรมดาก็นอนไปฝันไปแต่นอนอย่างมีสติก่อนนอนและมีสติรู้สึกตัวอยู่นอนก็ยังรู้สึกตัวอยู่ก็เรียกว่าจำวัดเป็นภาษานะของพระที่จะทำอะไรก็ตามนะมันมีความรู้สึกมันมีสตินะทำอะไรด้วยสตินะแต่ก็เผลอหลงบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะตัวหลงเคยเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือน แล้ก็ฝึกนะหลงแล้วก็รู้อันนี้ก็ได้นะประโยชน์จากตัวหลงตัวไม่รู้นะทําให้เรารู้ขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาไอตัวไม่มีสติตัวหลงก็ทำให้มีสติขึ้นมาเนะลือสติมันก็ไม่ธรรมดานะมันก็จะเหมือนกับที่เขาเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยมันไม่ใช่สติแค่กายอย่างเดียวนะอันนี้สติที่มันกรูนะ้ไปในกายนะก็จะมีภาษาเรียกว่ากาย คาตาสติอย่างงี้ยนะกายะนะคตาสตนะิก็คือรู้ไยในกายมันก็มีสติแล้วลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์พระพุทธเป็นยังไงอย่างเงมันะก็เห็นอยู่ในตัวเรานะั่นแหละจิตทมันรู้ตื่นเบิกบานอย่างเงี้ยเป็นภาวะของพระอิทธนะิพุทธะนะพุทธะเกิดความเป็นสุขในจิตขึ้นมานะนะมันเกิดอะไรอีกนะก็คือธรรมชาติต่างๆ ก็มีสติเลิกรู้นะในเรื่องของพระแล้วก็ธรรมรองที่พระต้องทำพระต้องทำอะไ ร, รต่อตาหารสลามทำระเบิดเป็นพระสงฆ์เราต้องทำอะไรเงี้ยวันนี้ก็มีบทใหม่อยู่3มรูปเราก็เริ่มมาเรียนรู้กันรูปแบบอย่างเงี้ยเราต้องทำอะไรที่เป็นรูปแบบของพระด้วยเหมือนกันปฏิบัติต้องเป็นรูปแบบของพระด้วยเหมือนกันปฏิบัติอะไรจะเจริญสติจเจริญยังไงอย่างเงเจริญสมาธิจาเจริญยังไงในรูปแบบ พอเราใส่เครื่องแบบนักเรียนในเครื่องแบบก็ต้องมีรูปแบบการฝึกหัดปฏิบัติกันพระจะไปทำแบบโยมได้ไหมหรือว่าโยมไปทแบบพระหัวร้อนอยากลําหัวดําอยากเทศอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงต้องรู้จักให้ดีๆพระสงฆ์ก็เหมือนกันแบบดีแล้วตรงแล้วตรงต่ออะไรดีมันดียังไงออกจากทุกข์ออกจากทุกข์ออกกกยังไงเป็นสงฆ์โยมก็เป็นสงฆ์ได้มันเป็นโดยคุณธรรมไม่ต้องแต่งตัวหรือว่าไปบวชในโบสถ์ เพียงแค่รู้สึกตัวนะเรียนรู้อย่าเดียวกันพระเป็นนักเรียนในเครื่องแบบยอมเป็นนักเรียนนอกเครื่องแบบแต่เรียนรู้การเคลื่อนกันไหวเวลาวงกังวังเหมือนกันแก้ง่วงแก่้งเหมือนกันกลับมารู้สึกตัวอะไรเงี้ยเป็นต้นเวลาคิดโลดคิดกดคิดหลงคิดรักคิดชังเหมือนกันแก็กลับมาแก้ด้วยความรู้สึกตัวที่ฐานกายเป็นต้นก็ฏิบัติเพื่อการออกจากทุกข์อะไรเงี้ยพอสมควรแล้วเป็นยังไงสม่ําเสมอแล้วเป็นยังไงเสมอตัวเสมอปลายเป็นยังไงอย่างเงี้ย สมควรเริ่มต้นยังไงวันแรกเรามีอาการเกรงเกรงเกงเกรงยังไงเกรงเกงแล้วเกรงเกรงอย่างไรวันที่2องสามหมันเป็นอย่างไรบ้างมีคําว่าแก่วัดเพอแก่วัดกันนี่ละมันก็จะกลายเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเลยทันทีเราก็เลยต้องเรียกว่าปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทําวัดเช้าวัดเจ็นทุกวันเป็นยงไงสอนเสมออย่างเงี้ยถึงมันไม่ เห็นประโยชน์ของการมาทําวัดจดมมันมาทําแบบนกแก้วนกขนทองก็ตามมันก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ยังดีกว่าไม่มาเพราะถ้าไม่มาแล้วแอบหลบแอบซ่อนหลับหลับนอนๆขี้เกียจขี้แค้นอมาดีกว่าถึงมาแล้วทําแบบนกแก้วนกขนทองก็ตามมันฝึกนิสัยให้มีวินัยของชุมชนอย่างนี้นะอันนี้ก็ถือว่าปฏิบัติสมควรแล้วอย่างสมบูรณ์แบว่าเราใส่รูปแบบวัดนี้ก็เป็นกฎระเบียบของชุมชนนอกจากเก็บอารมณ์ ไม่มาทำวัดก็ต้องบอกกันไว้ว่าไม่มาเพราะอะไรเป็นกฎระเบียบวินัยของชมุชมชนเพื่อป้องกันกิเลสไม่กิเลสมันทำตามใจอ้างนะว่าปฏิบัติธรรมอยู่แต่ว่าได้ปฏิบัติอย่างนี้นเอาตัวรอดนะเราก็จึงนะมารู้จักกันปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมีสนะติระลึกถึงของนะคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเป็นยังไงเป็นพุทธานุตติธรรมานุตติสังขาานุตนะิมันมีอยู่ นึกถึงเวลาทำให้คนเป็นเทวดาคนที่เขาทุกขนะ์จิตใจก็ดีขึ้นเกนะิดมีความสุขอายชัวย่วครัวแบบเราเป็นผู้ที่แนะนำนะอย่างมีคนที่เขาแนะนะนำคนที่ไม่ไปสนใจเรียนนะแล้วเด็กคนนี้เขาก็เหมือนกับว่านะเขาดีขึ้นนะนอกจากเขาเรียนนะตั้งใจใส่ใจกับการไปโรงเรียนก็ยังช่วยพ่อช่วยแม่ทำงาน นะขายวัสดุก่อสร้างจนกรทั่งเขามีรายได้ต่อวันวละประมาณ8 0,000 อย่างเงี้ยรายได้การที่เขาขายของแทนพ่อแทนแม่ของเขาเป็นกำไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็เออโทรมาขอบคุณนะที่ว่าทําให้เขารนะักการเรียนมากขึ้นนะแล้วก็ช่วยพ่อช่วยแม่มากขึ้นนะพอเราช่วยเขาให้เขาดีขึ้นเนี่ยก็โทรมาขอบคุณเนะีเานะก็เราก็รู้ึกถึงว่าอ๋อเคยบอกให้เขา จากเด็กไม่ดีเกเลก็ดีขึ้นมาอย่างนี้นก็เป็นเรื่องของการทําให้คนนะเราลึกถึงความดีความงามอายชั่วกลัวภาคก็เป็นเทวธนะรรมลึกถึงนะนัทธานลึกถึงศีลนะความเป็นปกติของเรามันเป็นไงเราลึกถึงนะดูจิตดูใจของเราศีลศีลาคือก้อนหินศีลนะคือสิริคือความงามอย่างนี้นใครมีศีลก็งดงามทางกายวาจาใจนะเราสังเกตที่เรา มัเป็นยังไงอย่างนี้เป็นตน้นเลึกถึงคุณของพระนิพพานนะพระนิพพานมันเป็นยังไงลักษณะอของจิตใจที่เป็นปกติสงบเย็นเป็นประโยชน์เป็นยังไงตื่นรู้เป็นยังไ ง, ง, ไงสารพัดนะมันมีอยู่ในชีวิตของเราจริงๆริอนยะ่างเงี้ยทีมขั้นที่สุดก็คือนะตอนนี้เรากาลังฝึกหัดกันนะกําลังเดินทางหลวงพ่อมเขียนหรือว่าหลวงปู่เทียนนะหลวงพ่อเขียนยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่เทียนก็ล่วงรับไปแล้ว มรณาพท่านพูดอยู่เสมอว่านะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นทําการและพิธีสุดนะเบื้องต้นเป็นยังไงนะก็คือทําให้เราเนี่ยละความโลภความกดความหลงอยานะอารมณ์หยาบหยาบนะต่อมานะในท่ามกลางเป็นยังไงนะก็คือเราสามารถเข้าใจนะอารมณ์ปฏิบัติในระดับที่เรียกว่านะรู้ความสุข ที่เกิดจากนะการมีสติสมาธนะิแล้วเกิดความสุขเกิดพิติขึ้นมาเกิดความสงบความสุขนะแล้วก็รู้จักวางว่าการที่เราวสุขไ ม, ม่ปัญญาอยู่แต่ท้ายสุดตัวปัญญาที่มันพัฒนาขึ้นไปจนกระทังมันรู้แจ้งเห็นจริงแต่ว่ามันรู้ยังไง มันรู้แล้วมันทาหน้าที่มันทำไปวางไปมันไม่ติดรู้นะตรงนั้นน่ะมันก็คือไม่ได้ใช้ปัญญานะจนระทังติดปัญญานะจนสร้างปัญหาไม่ได้เดินทางนะติดรู้จนยึดรู้อย่างเงี้ยไอ้ปัญญาตัวนี้ก็ก็พูดว่ามันคือที่สุดนะปัญญาเองก็ไม่ต้องเอานะก็คือยานของปัญญาเมื่อเรานั่งยานถึงจุดหมายปลายทางนะเราก็ไม่เอานะเราไม่ได้ใช้ เพราะว่ามันเป็นการยึดติดเกินไปติดรู้เกินไปท้าสุดก็จึงปล่อยวางแต่ว่ายิ่งม่ใช้ตามหน้าที่ น, นะอันนี้ก็เป็นที่สุดก็คือว่างจากความหมายความเป็นตัวตนจริงก็จึงไม่ได้ทำเพราะว่าดีทำเพราะว่าชั่วแต่ทำเพราะมันเป็นเรื่องต้องทำทำเพราะนั้นตรงนั้นก็ถือว่าพระลรหันเนี่ยทำอะไรไม่ถือสาหาความไม่โทษกันว่าผิดหรือถูกคือยกไว้เลย ในพระวินัยจะระบุกันไว้ว่าผู้มีสตินะหรือเรียกพระละหันมีสติเป็นวินัยนะอันนี้ไม่ถือเป็นอาบัติอะไรมากมายหรือกันอามาถือว่าตรงนั้นเป็นที่สุดของการปฏิบัติธรรมนะก็คืออิสระเสรีใช้ชีวิตยอย่างเป็นธรรมชาติเนื้อเหตุเนื้อผลเนือถูกเนื้อผิดเนื้อดีเนื้อช่วยนะอธิบาว่าอย่างนั้นนะจักใจผิดหรือว่าถูกเนีย่ยก็ขึ้นอยู่ที่ครูบาอาจารย์แล้วนะนะ ที่ท่านจะอบรมสั่งสอนเราหรือว่าสอนเราว่าอันนี้ไม่ถูกอันนี้ครูบาอาจารย์จะมีจิตที่หลุดพ้นแล้วก็อยู่เหนือท่านมองเบื้องสูงมองลงมาก็คลุมฟึบก็แห้งท่านจะรู้ทันทีว่าจิตอย่างนี้นคิดถูกคิดผิดทําถูกทำผิดนะแต่ที่แน่ๆคือถ้าเราสมมติบัญญาติใครก็ตามเป็นพาารนะละหันเช่นที่นี่คือหลวงพ่อมเขียนยกตัวอย่างเป็นต้นนะสมมติกันว่าเนะี่ยคือภารยาเจ้านะหลายคนเชื่ออย่างนั้น บางคนอาจจะเชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินของเราคือพระอริยะคือพร ะ, ะที่เหมือนกับว่าแสดงคุณธรรมต่างๆออกมาทางวาจาหรือว่ากริยาท่าทางต่าง ๆ, ๆ, ๆมีคนก็รันตีนะว่าเป็นพระลหันเลยเราถามว่าคุณดูยังไงว่าพระลหันก็นะบอกว่าสังเกตว่าในหลวงเนี่ยอารมณ์ท่านไม่ฟูมไม่แฟบไม่ขึ้นไม่ลง ก็ไม่ทราบ ว, ว่าอันนี้คือความคิดของคนอื่นเขานะไม่ใช่ความคิดของธรรมะแต่ว่าเขาก็มีการการันตีอะไรกันมากมายเหลือเกินอันนี้ก็คือในแง่ของสมมติบัญญัตินะแต่หลวงปู่เทียนเคยพูดว่านะถึงแม้พระเจ้าห่อมาแล้วมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็ชี้ว่าสิ่งที่หลวงปู่เทียนรู้เนะี่ยไม่ใช่หลวงปู่เทียนก็ยังไม่ได้เชื่อเลยนะเพราะหลวงปู่เทียนจะเชื่อตัวเอง ว่าสิ่งที่ท่านทำนะทุกนะมันลดจริงๆหรือว่ามันไม่มีจริงๆอันนี้ท่านรับรองตัวเองได้นะหลวงพ่อเทียนทรู้อย่างนั้นนะเอ า, าก็ถือว่าคําพูดเนี้ยมันเด็ดขาดนะแล้วก็ถือว่าเป็นที่สุดของการปฏิบัตนะิที่ทุกคนก็ต้องรับผิดชอบตัวเองกันนะทําอะไรไปก็ตามนะก็อย่าได้เสียใจในภายหลังนี่เป็นต้นทําอะไรก็ตามนะมันเป็นคุณเป็นโทษนะที่เกิดขึ้นมาก็อย่านะไปทุกข์กับมั น, น, นถ้าทําได้ก็ถือว่านะ เมื่อเมื่อวานนะได้พูดถึงว่าท้ายสุดเวลาใกล้ตายนะมันจะเกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อเขียนท่านพูดไว้ว่าตัวท่านเองในเวลาใกล้ตายนะก็มีญาติโยมไปก่อกระจกลองให้กับหลวงพ่อหลวงพ่อมาห่วงอะไรคนที่ไม่ตายากัคนที่ไม่ทุกขนะ์มันไม่ได้หมายถึงว่ามีใครตายไ ม, มีใครเกิดมีใครแก่ใครเจ็บใครตาย แลหลวงพ่อเองนะไม่ได้ทุกข์นะกับการที่หลวงพ่อหายใจไม่ได้หายใจไม่ได้ก็อย่าไปหายใจมันขาดเสลดไม่ได้ก็อย่าไปขากเสลดมันหลวงพ่อก็ยอมรับสภาพและหลวงพ่อก็ไม่ได้ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ ก, การเหล่านี้เพราะหลวงพ่อฝึกมารู้เรื่องนี้มาเป็นเวลานะ30มสกว่าปีหลังจากที่เนขะ้าใจเรื่องรูปนามจนกะทั้งแก้วแตกก็คือสภาวะคันหาขัน5้าที่มันจะ ทำให้หลวงพ่อทุกต่อไปอีกไม่ได้และท้ายสุดหลวงพ่อก็ใช้ว่าหลวงพก็จบกิจอย่างเงี้ยนะกิจอื่นที่จะทําไม่มีอีกแล้วอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็ผ่านก็สอบสุดท้ายก็คือรลันที่ว่าปล่อยวางริีก่กับความตายอยเราฟังดูแลเราก็รื่นเริงนะเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นไปได้จริงหรือเงี้ยมีอยู่ในตัวท่านท่านคงจะเป็นพระอริยะเป็นพะาาระอรหันตล้มั่งอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นะเราก็คือเดินตามทาง ที่ท่านบอกท่านชี้เอาไว้เบื้องต้นทำกลางที่สุดทนะ้ายสุดก็คือนะไม่หวั่นไหวนะเกิดอะไรขึ้นท่านก็ปล่อยวางจริงๆโรคจะแตกโรคจะสลายไปท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรนะ้เราก็ดูว่าความรู้สึกตัวมันอยในตัวเราหรือไมนะ่ถ้าเป็นในตัวเราจริงๆก็คือถือว่าเป็นที่สุดนะของการสแสวงหาก็จะหยุดหยุดการแสวงหาคูบาจารย์หยุดการสแสวงห า, า, า, ห า, ส, งหาสถานที่ปฏิบัตินะ หยแสวหงหารูปแบบในการปฏิบัติต่อไปอย่างาประกันใจแบบนั้นจริงๆนะว่าสิ่งนี้มันมีจริงปรากฏถ้นะาปฏิบัติเนะคลื่อนไหวรู้สึกตัวจริงๆนะมันเป็นทั้งเบือนะอเบ้องต้นไพลอตในเบื้องต้นะเป็นทั้งเบื้องกลางท่ามกลางไพลอตในท่ามกลางและไพลอตในที่สุดนะก็คือการทําดีแต่ไม่ติดที่ทําหน้าที่แต่ไม่ติ ด, ดหน้าทีาทนะ่อันนี้คือจะเกิดอิสระเสรีขึ้นมานะ เกิดสันติสุขสันติภาพในจิตใจของเราอันนี้นะเพระนั้นสิ่งที่พูดมานี้ญาติโยมก็ใช้วิจัยยานเอาไม่ต้องเชื่ออะไรมานดังนั้นนะแล้วขอให้สิ่งที่ยมกําลังปฏิพฤติดีกําลังประพฤติดีกําลังปฏิบัติดีขนาดนี้ไม่ว่าจะทำดีในเบื้องต้นทำบุญทำทานรักษาศีลหรือว่าปฏิบัติจิตตภาวนาจะเร่อง บางคนบางท่านอาจจะบอกว่ารู้รูปนามแล้วก็ตามนะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเห็นะาการของกายของใจตามความเป็นจริงจนกระทั่งจิตมันเกิดการเดินทางขึ้นมานะมันเห็นบุญมันวางบุญนะมันเห็นบาปมันวางบาปนะจิตเกิดความฉลาญขึ้นมาเห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องนะก็ขอให้นะการเดินทางของทุกท่านนะก็จงเดินทางนะไปสู่การพ้นทุกขนะ์และโดยเฉพาะในปลวันชาตินี้นะ โดยทวนากันทุกท่านทุกคนนั้นเธอ